พุทธศาสนาคนก็เชื่อไบผิดเยอะนะบางคนก็ไปออกทางลิตทางศักดิ์สิทธิ์ทางทางโชคลาบอย่างนีิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่บ้านหลังหนึ่งวันนี้มีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เจ้าของบ้านชื่อว่าผู้ใหญ่โกก็มีแขกเหลือมาล่วมมากมายโดยเฉพาะมีเพื่อนรักมามาด้วยก็คืออาแปะอาแปะเนี่ยเป็นคนที่มาอยู่บางไทยแล้วก็ยังพูดไทยไม่ค่อยชัด แต่แกก็รู้เรื่องศาสนาปูบัวปางานก็ดําเนินไปด้วยดีระหว่างที่พัชฉันพระขานเพลยเสร็จแล้วก็ให้พรให้พรญาติโยมพักก็ใพร อ, อายุวัตตโกธนาวัตทโกศรีวัตทโกยาสวัตทโกพาราวัตตโกวันณวัตตโกสุขวัตตะโกอาแปะเนี่ยได้ยินแล้วขนลุกสู้เลยพรคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวสมัยนี้ พาเขาให้พรเจ้าภาพขาะเอ่ยชื่อทุกคำขนาดนี้เฉลอะอแฟดดีทราบถึงใจมากเลยหลังจากงานวันนั้นเลิกแล้วเนี่ยก็ไปไปหาผู้ใหญ่โกแล้วบอกว่าให้ติดต่อพาชุดนี้่ไปฉันเพนที่บ้านบ้างชุดอื่นไม่เอานะต้องเน้นเฉพาะชุดนี้ชุดเดียวและแล้ววันที่อแปะรอคอยก็มาถึงวันนั้นอแปดยิ้มแย้มทั้งวันเลยต้อนรับแขกห่อห่อดีดี แล้วเวลาที่แกรอคอยก็คือเวลาให้พรนั่นแหละพักก็ให้พอรอายุวัฒนโกธนาวัฒทโกสิริวัฒนโกยาธวัฒนโกเนี่ยอแปะตกใจรออภภาพาไม่ใช่นะว่าชื่อแปะนะไม่ชื่อโกคือพักก็ไม่รู้เรื่องหรอกพักก็ให้ตามประเพณีแต่ที่อแปะเข้าใจผิดไงคิดว่าต้องให้ให้พรชื่อยวภาพอาแปะโวยวายเนี่ย พระที่มาด้วยก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจินสกิจพระหัวหน้าพระ ผ, ผูน้ำอ่ะให้เปลี่ยนพระก็รู้ใจไม่อยากขัดใจอ่ะแปะก็เลยขึ้นขึ้นบทสวดมนต์ใหม่อายุวัฒนะแปะธนวัฒนแปะศรีวัฒนแปะหัวแปะนี่ดีใจห่อมันต้องอย่างนี้สิกค่ดีใจใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นการเข้าใจศาสนาแบบผิดๆถ้าสมมุติพระไม่ขึ้นอายุวัฒนแปะ อะปะเลยแหละจะเป็นคนต้องทุกข์มาหาศาลเลยเพราะหวังไว้มากถ้าเราก็ต้องก่อนเชื่ออะไรเราก็ต้อ ง, ต, องต้องศึกษาให้ดีเป็นชาวพูดต้องไม่ไม่งมงายเชื่อครูบาอาจารย์ก็ต้องเชื่อคําสอนที่ถูกต้องเพราะบางคําสอนก็ไม่ใช่อาจจะสอยเราหลงก็ได้หรือไม่ก็หลอกเอาเงินเราก็ได้ถ้าทำไม่จริงก็คือระดับทุกข์พระเจ้าจะได้ระดับทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ผลทางดับทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันนี้ถ้าวัดที่สอนแต่เรื่องอิทธิปฎิหารสอนให้ทาบุญเท่านี้เท่านี้นแล้วจะไปสวรรค์อันนี้ก็ไม่ใช่หรือไม่ก็ผูุกเสกพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยสะดอกเคาะมีทั่วไปอันนี้มันเพยกแก่นของผู้สาสนามี ท, า, มทายเรื่องเหนือคล้ายกันที่บ้านหลังหนึ่งวันนี้ก็มีการทาบุญวันเกิด เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณนายโตปีนี้ก็อายุครบห0ปีแล้วคุณนายโตจัดงานวันเกิดทุกปีแล้วก็เชิญพระครูที่อยู่ ใ, ใกล้ๆบ้านนั่นแหละเพราะพระครูเนี่ยจะมาคือมารับบาด ท, ทุกเช้าที่บ้านไงเพราะซีกันก็ทักทายกันแบบถูกคอพอฉันอาหารเพลเสร็จแล้วพระครูก็ให้พรเยธาวลีวหาปูราปริปูเลนตีสาขลังเอวาเมวา อีโตทินางแค่นั้นแหละคุณนายโตวางที่กวดและโมนังโครมตวาดว่าพระครูว่าเมื่อกี้ยังเรียกคุณนายอยู่ดีเลยมาตอนนี้เรียกอีได้งไงพระครูจะที่บา ย, ยางไงคุณนายโตก็ไม่สนใจเดินหนีไปเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณนายโตก็ไม่ใส่บาตรพระครูวัด น, นี้อีกเพราะว่าแค้นใจบางอาจมาเรียกว่าอีโต อันที่เืิดความไม่รู้ฟังเข้าใจผิดคุณนายโตเป็นคนใจบุญจริงแต่แกก็ควบคุมตัวเองไม่เป็นคือเรื่องอารมณ์แกจะเป็นคนที่ชอบให้คนชื่นชมยกย่องสรรเสริญพอมีใครที่ผู้ติดหูปุ๊บเนี่ยก็เกิดปฏิฆาเกิดความเกลียดชังที่รุนแรงจึงเป็นแบบที่เห็นพอถึงวันเกิดปีต่อมาคุณนายโตก็ไปนิมนต์เจ้าคุณที่อื่นน่ะก็าไกลพอสมควรน่ะ เจ้าคุณก็มามาถึงก็ไต่ถามคุยกันก่อนที่จะเริ่มงานคุณนายโตก็เล่าเรื่องพระครูให้ฟังเจ้าคุณฟังดูแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรั้นถึงเวลาให้พรเจ้าคุณก็ขึ้นว่า <c oughs> ยาถาวลีวหาปูราป ร, ริปูเลนตีสากะลงังเอว่าเมว่าคุณนายโตทินางคุณนายโตตบมือฉาดเลยเนี่ยามาต้องอย่างนี้เนี่ย มาต้องอย่างนี้อันนี้เป็นนิทานนะโยมอนามาเห็นว่าพวกโยมเนี่ยถูกอาจารย์ในวัดเนี่ยพูดเรื่องเลิกความรู้สึกตัวพูดเรื่องหนักๆมาหลายวันให้บงังคับให้เดินบังคับยก ม, มือวันนี้อนามาก็ตั้งใจรบรรเทาโยมหลงโดยเฉพาะเลยครึ่งชั่วโมงที่พูดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวหน้าที่ของอนามาคือทำโยมหลงเดี๋ยวหน้าที่าจะจรบละชัยกับอาจารย์อ้อนเนี่ยทำโยมตื่นครึ่งชั่วโมงโยมต้องหลงอย่างเดียวเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกตัวเพราะว่า คนที่ผูดได้ยมหลงมีคนเดียวในวัดนี้นิทานเรื่องนี้ก็สอนนะว่าถ้าเรายึดถืออัตราตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเป็นแบบคุณนายโตได้วันไหนที่ใครพูดพูดจาขัดหูเราเราก็โกรธได้ไม่พอใจได้เพราะว่าคาพูดต่างๆเนี่ยเป็นของสมมุติอย่างอรมานเนี่ยบางคนก็เรียกหลวงพี่บางคนเรียกหลวงพ่อบางคนทะลึ่งเรียกหลวงปู่ก็มีหลวงตาอย่างเงี้ยหลวงนาหลวงอาแล้วแต่เขาจะเรียกอ่ะ บางคนก็เรียกอาจารย์เราเป็นเปนตามสมมติหมดแหละเรายึดไม่ได้หมดแหละใครเรียกเรายัางไงก็แล้วแต่เหตุการณ์บางคนเรียกหลวงน้องก็มีดีเจอญาติด้วยกันนะ่ะญาติเข า, าอายุเยอะ ก, กว่านะ่ะหลวงน้องสบายดีหรืออะไรเงี้ยเป็นไปนตามสมมติเนะ่ะเราแน่นอนไม่ได้หรอกใครเรียกเราไงถ้าเราไปแบกเราเราแย่เลยสมมติบางคนเป็นครูบาอาจารย์เนะี่ยเดินไปไหนเราก็ต้องเดินกลางใครไปเรียกหลวงพี่นี่โกรธนะอาจารย์เนะ่ะต้องเรียกอาจารย์อาจารย์โดนเรียกหลวงพี่ไม่ได้ อันนี้เราจเจอบ่อยฮนะใครแบกสิ่งไหนมากๆคนนั้นก็ทุกข์แหละพวกนี้เป็นหัวโขนนั่นเองถึงเวลาก็ต้องวางมาันอย่าพวกโยเหมือนกันโยมทํางานโยก็มีหน้าที่ต่างๆตามโรงพยาบาลหรือตามที่ไหนก็แล้วแต่คนนี้ก็เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้ช่วยกลับบ้านเอาก็ไปเจอสามีเราก็เป็นเมียเจอลูกเราก็เป็นแม่เจอพี่เราก็เป็นน้องเจอพ่อเราก็เป็นลูกอย่างเงี้ยไปตามสมมติเราเล่นตามสมมติ เรายึดอะไไม่ได้หรอกในโลกนี้ต้องปรับตัวเข้าสถานการณ์แบกแล้วก็ไม่ได้ด้วยถ้าทํางานทําไม่เป็นนะเราก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกันแหละเพราะเราจะมีการเปรียบเทียบอิจฉาลิทยาเพราะว่าแต่ละคนจะมีความสามารถไม่เหมือนกันบางคนเก่งด้านนู้นคนบาทีบางคนแล้วเก่งด้านนี้แต่ถ้าเราเราพอใจในความสามารถตัวเองอะ่ะแล้วว่าเราไม่ไปเปรียบเทียบนะเราก็ไม่ค่อยทุกข์หรอกยินดีพอใจสิ่งตัวเองมี สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งหนึ่งพระเจ้าเสือสเสด็จประพาสมาทางสระ บ, บุรีเพื่อมานัสการพระพุทธบาทก็มาทางเรือนะที่ร่วมทางมาด้วยก็มีมีฝีพายมีมหาเล็กแล้วก็ทหารเรือก็แล่นมปเรื่อยฝีพายก็พายเรือไปเหงื่อไหลคายย้อยเลยอารมณ์ไม่ค่อยดีมหาเล็กก็นั่งหลับสับกงกฝีพายเหงนมอง มหาเล็กไปก็บน่นบอกว่าก็คนเหมือนกันที่หว่าพายไปได้สักพักหนึ่งก็บ่นอีกก็คนเหมือนกันที่หว่าเสียงเริ่มเริ่มดังขึ้นแล้วพระเจ้าเสือพระองค์เนี่ยสังเกตเห็นอยู่และรู้ว่าผีพายคิดอะไรอยู่จึงวางอุบายว่าจะต้องสั่งสอนผีพายรู้สํานึกขั้นถึงที่พมนักระหว่างทางนะพระพาชั่วคราวที่ได้ถุนเนี่ย พระเจ้าเสือเห็นว่ามีหมาออกลูกอยู่จึงคิดอุบายได้แล้วก็ให้บหาดเล็กเด็กไปที่อื่นแล้วก็เรียกฝีพายมาบอกว่าเองลงไปดูที่ข้างล่างเสียงอะไรไอย่ า, อย า, อาคมคามฝีพายคันเข้าไปใต้ถุนขันขึ้นมาก็หมาออกลูกพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือก็ถามต่อกี่ตัวคานเข้าไปครั้งที่สองสี่ตัวพระเจ้าค่ะ พระเาเสือก็ถามว่าแล้วตัวผู้ตัวเมี ย, ย, ออม 2, ม ย, 2, ยสีพายคานเข้าไปครั้งที่ 4. สามออกมาก็บอกว่าตัวผู้สอง ต, ตัวเมียสองพระเจ้าค่ะแล้วสีอะไรคานเข้าไปครั้งที่สี่สีดำสองตัวเสียมตาสองตัวพระเจ้าข้าอ้าวแล้วแม่มันสีอะไรคานเข้าไปครั้งที่ห้าแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะแล้วเสือก็บอกพอแล้วก็เรียกมหาเล็กมา อีกลงไปดูซิข้างล่างมีอะไรหมาเล็กลงมาสักพักหนึ่งล้วก็ขึ้นมารายงานบอกว่ามีหมาออกลูกสี่ตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวสีน้ําตาลสองตัวสีดำสองตัวแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะแล้วเสือก็หันไปว่าฝีพายว่าไหนเองบอกว่าคนเหมือนกันแต่ทําไมมันไม่เหมือนกันนิทานเรื่องนี้ก็จบ แต่ก็ให้แง่คิดนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรอกคนเราจะมีความสามารถความถนัดคนละอย่างไม่เหมือนกันส่วนต่างจะอยู่ที่เพื่อนทั้งนั้นเลยส่วนที่เราขาดนะอย่างว่าปลาสุกโตเนี่ยแต่ละคนจะเก่งไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็เป็นช่างไฟฟ้าบางคนก็เป็นช่างปลาปาบางคนก็พูดเก่ง บางคนพูดไม่เป็นบางคนก็เป็นหมอแล้วมีอีกเยอะแยะหมดอ่ะบางคนก็เป็นครูแต่ละคนจะมีความรู้ไม่เหมือนกันบางคนเรียนมาคนละอย่างแต่ทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็คือไม่ฉาดิศยากันแบ่งปันความดีเพราะเราเราแบ่งปันความดีให้เพื่อนปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนเหมือนเราทําด้วยงานก็สําเร็จลุล่วงที่นั่นก็มีความสุขอย่างที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันถ้าพวกโยมไม่อฉาดซึ่ง ก, กันและกัน เห็นใครได้ดีแล้วก็ไม่เป็นไรบาทีเห็นคนมีโชคลาภรัักละมีชื่อเสียงมากกว่าเราเนี่ยเราก็บางคิดอะไรถือว่าเราบุญยังไม่มีอะไรเงี้ยถ้าถึงเวลามีก็ไม่เป็นไรรับได้เพราะคนเราอยู่ใต้โลกธรรมเนี่ยมันก็มีลาบเสื่อมลาบ ม, มียศเสือ่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสรเสรมีนินทาไม่มีใครหนีพ้นแล้วเราก็สั่งสมบุญมาเหมือนกันบางคนจึงรวยบางคนบางคนก็จน แต่และคนจะหาคนถือาเท่ากันยากแต่เราอยากจะรวยเราก็ต้องมันเก็บหอมรอมริษมันทับบุสุนทานแล้วก็หมันประหยัดขยันมากๆอันนี้ก็รวยได้เพราะว่ากรรมเนีย่ยดชาติเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถสร้างกรรมใหม่ได้เพราะบางคนเนี่ยมาจากเมืองจีนเสือ้อผืนหมอนใบก็ยังไม่เศรษฐีได้เลยถ้าอยายคนรัก เราก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทักทาย ม, มีมีมิตสัมพันธ์ที่ดีเขาก็รักเราแต่ถ้าเราหน้าบึ้งบึงเนี่ยเขาก็ไม่อยากคุยด้วยนะเพราะบางคนมีฟ้าอสุรเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึงดีฝ่ายหนึ่งก่อนแต่ถ้าเกิดเราดีอย่างเขาก่อนเนี่ยเขาก็ดีกับเราเรายกมือไหว้เขาเขายกมือไหว้เราอันนี้เป็นเรื่องธรร ม, รมดาเลยแต่เราไม่ไม่อยากรู้จักเขาเขาก็ไม่อยากรู้จักเราไอ้คนเราจใจคนรักก็ต้องประามติอ่อด น, น้องอมตนก็ต้องจริงใจก่อนนะ่ะแสดงความจริงใจก่อนช่วยเหลือเผื่อแผ่ก่อน นิทานอีกเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้ก็มีแง่คิดเหมือนกันคือบางครั้งคนเราเนี่ยมีการตัดสินใจที่พาดบางครั้งก็ควรจะปรึกษาผู้รู้ไม่ควรดวดตัดสินใจมีชายคนหนึ่งชื่อว่าโจโจเนี่ยตอนนี้ก็อายุสามแปดแล้วแต่มีโรคปวดหัวตั้งแต่อายุสิบแปดคือปวดหัวมายี่สิบปีโจก็ไม่ยอมรักษาที่คันปวดร้องมากทนไม่ไหว จึงไปหาหมอปรึกษาหมอหมอตรวจดูอาการแล้วนะเช็คดูหมดแล้วหมอก็บอกว่าหมอมีข่าวดีกับข่าวร้ายบอกข่าวดีคือหมอสามารถรักษาให้คุณหายขาดจากโรคได้แต่ข่าวร้ายโจนี่ฟังแล้วร้อนลนเลยข่าวร้ายยังไงหมอหมอจะต้องตัดไข่คุณเพราะว่าเคสของคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในร้อยล้านคือไข่คุณสองข้างเนี่ยไปดัน ลำไส้ให้ไปกดทับเส้นประสาทส่วนล่างสุดของกระดูกสันหลังทำให้คุณมีการปวดหัวมาตลอด20ปีถ้าตัดไข่ทิ้งเนี่ยโรคปวดหัวก็หายขาดโจนี่ฟังแล้วอึ้งเลยเหมือนตกอยูอย่ในพวังกลับบ้านไปขอนอนคิดดูก่อนว่าจะตัดไข่ดีไม่ดีหลังจากนอนคิดอยู่สองคืนก็มีความรู้สึกว่าปวดหัวและทรมานตัดไข่ดีกว่าจึงไปหาหมออีกครั้งเพื่อให้หมอตัดไข่ หลังจากตัดไข่เรียบร้อยออกจากรพเยาบาลแล้วชีวิตของโจก็เปลี่ยนแปลงรู้สึกขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนั้นจะต้องเติมชีวิตตัวเองให้เต็มจึงเข้าไปหาล้านตัดสูตรที่แพ้สุดของเมืองเพื่อชดเชยสิ่งที่สูตรเสียไปเข้าไปในร้านตัดสูตรชายชราเจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับโจก็บอกว่าขอสตัวหนึ่ง ชัยชะลามองไปที่หุ่นของโจแล้วก็บอกว่าสี่บสี่โดยไม่ต้องวัดเลยโจก็แปลกใจถามว่ารู้ได้ไงเนี่ยชัยชลาบอกว่าผมเปิดร้านมาหกสิบปีแล้วครับลองสู่ใส่แล้วก็พอดีสมส่วนเจ้าของร้านก็ถามต่อลักเสื้อเชิ้ตเพิ่มไหมครับโจบอกก็ดีเหมือนกันชยชาลามองหุ่นโจแล้วก็บอกว่า แขนสามสี่คอสิบหกนิ้วครึ่งโจก็งงอีกว่ารู้ได้ไงเนี่ยไม่วัดเลยเจ้าของก็พูดเหมือนเดิมแหละเปิดร้านม0หกสิบปีแล้วมีประสบะการณ์มากโจก็ลองใส่ใส่เสื้อเชิ้ตใส่สูทก็เท่ดีสักพักหนึ่งเจ้าของร้านก็ถามอีกลองเท้าสักคู่ไหมครับก็ดีเหมือนกันชัยชลามองปทิตีของโจแล้วบอกว่าเก้านิ้วครึ่ง โจ ก, ก็คิดก็เหมือนเดิมไปยและโอ้โหรู้ได้ไงเนี่ยไม่วงไม่วัดเลยแล้วก็ก้าวนิวคึ้จริ ง, รงใส่สบายเดินรองเท้าใหม่รอบร้านสักพักหนึ่งเจ้าของร้านก็าถามว่ารับมังเกง้ลนเพิ่มไหมครับโจกบอกก็ดีเหมือนกันเจ้าของร้านมองโจแล้วก็บอกว่าสามสิบหกโจกได้หัวรอกกากเลยบอกครั้งนี้คุณผิดแล้วผมเนี่ยใส่สามสี่ตั้งแต่อายุสิบแป ชายชาลานะตกใจหาไปไม่ได้ยงไงทรมานตายหาเพราะว่าสามสายคุณใส่ยี้ไม่ได้หรอกสามสี่เนี่ยมันจะไปดันไข่คุณเนี่ยไปทับลำไส้แล้วก็ไปเนี่ยลังเส้นกระดูกสันหลังคุณไม่ปวดหัวบ้างเหรอนิทานเรื่องนี้ก็จบปล่อยให้โจเนี่ยรับกรรมคนเดียวไม่ต้องไปเสียเงินหาหมอไม่ต้องเสียไข่ สมัยนี้เรามีเพื่อนมีที่ปรึกษามีผู้รู้เยอะแยะหมดเวลาเราทำอะไรเนี่ยเรื่องไหนที่เรามีปัญหาเนี่ยคิดไม่ออกล้วก็ถามเพื่อนก็ได้ถาม Google ก็ได้ถามอะไรก็ได้หมดจนชัวร์แล้วอะ่ะค่อยตัดสินใจเพราะบางเรื่องตัดสินใจพลาดนเนี่ยแย่เลยจะต้องซวยตลอดชีวิตเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้ประทานหอนะเรื่องนี้แต่ก็มีแต่ก็ขำๆอยู่อ่ะอย่างผู้ชมทางานเนี่ยบางที เวลาเราทำงานถ้าเราเป็นคนที่ปล่อยวางไม่เป็นนะมาค้างก็ทาให้เราเครียดเราทุกข์ได้อันมาจำนิทานของอาจารย์ผมบางโศอยู่เรื่องหนึ่งวัดท้ายากจนนะตอนนั้นท่านต้องไปช่างก่ข อ, ขอแพงเองท่านก็เน้นมากเลยก่ข อ, ขอแพงเนี่ยให้เรียงแบบสวยอีทุกก้อนเนี่ยเป็นระเบียบหมดคัทนทำเสร็จท่านยังรู้ว่าท่านพลาด ตรงที่ว่าถ้าเลียงหินสองก้อนเนี่ยผิดตำแหน่งอาจจะเอียงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่แก้ไม่ได้แล้วเพราะปูนแห้งแล้วท่านได้ทุกข์ใจมากไปปรปึกษาเจ้าอาวาดบอกว่าขอทุบ ก, กาแพงทิ้งและสร้างใหม่ได้ไหมเจ้ า, าวาดไม่ยอมเพราะบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระแค่หินสองก้อนลงทุนเรื่องเยอะแล้วอาจารย์ผมก็ไม่สบายใจเวลามีคนมาเที่ยววัดพาไปชมกําแพงเนี่ย ก็จะพาแบบเลยไม่ให้เห็นหินสองก้อนแต่แล้ววันหนึ่งก็มีแขกมาเยี่ยมวัดแล้วก็ชมว่ากำแพงนี่สวยจังอาจารย์ผมก็บอกคุณตาถั่วหรือเปล่าไม่เห็นที่สองก้อนเหรอที่มันมันเปี้ยวอะ่ะไม่ได้ตำแหน่งอะ่ะคนที่มาชมวัดก็บอกว่าหินสองก้อนอาจจะอาจจะไม่สวยก็จริงแต่หินที่มากกว่า น, นั้นไงหลายพันก้อนน่ะสวยฉันผมจะิมองข้าม ถินสองก้อนเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดนะว่าคนเราเนี่ยเรื่องที่สบายใจไม่ค่อยมองหรอกไม่ค่อยมองเรื่องลบเรื่องเล็กเอ้ยน้อยบางทีแบบกระดานดําเนี่ยมีสีขาวเต็มหมดแต่เราไปมองเห็นกละบาดเล็กๆ เ, เหมือนอย่างที่อาจารย์ผมมองพอถ้าเราปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยเราจะทุกข์ง่ายอย่างอาตมาเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ทํางานแบบจริงจังกับงานมากเมื่อก่อนอาตมาเนี่ยจะทําพวกทำกรอบพระนะฮะ บาทีถามเสร็จปุ๊บเนี่ยพลาดมีเม็ดพลาสติกเล็กๆหล่นใส่เข้าไปในเมน็ดนึงเนี่ยอันมาแกะทําใหม่ทั้งองค์เลยเพราะว่ามองไปแล้วเสียชื่อเดี๋ยวคนเขามองเอ๊ะเอาเลนส์มาส่องมันมีขี้ผงเม็ดหนึ่งเนี้ยก็เลยกลายเป็นคนที่ว่าจุกจิกเวลาทําอะไรเนี่ยจะรอบครอบอย่างนักมาขับรถเนี่ยอันมต้องเช็คกระจกรถซ้ายขวาข้างหน้าต้องวับเลยเพราะเรารู้ว่ากระจกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนปลอดภยัยถ้ากระจกมัวเนี่ย โชเฟอร์เนี่ยใช้ไม่ได้เลยถือว่าประมาทพอวิสัยทัศน์เด็ ก, กระจกช่วยได้หรือยางแบนหรือเปล่าเบรกดีไหมอะไรเงี้ยคือโชอเฟอร์ดียต้องตรวจหมดเลยวิ่งทางไกลเนี่ยม้อญมอญน้ำน้ำแห้งหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ก็มีข้อดีนะคนนี้นิสัยจุกจิกเนี่ยนิสัยเจ้าระเบียบเนี่ยบางครั้งมาทํางานที่ยากๆได้แต่ละคนนิสัยหยาบทําไม่ได้เพราะงานบางงานเนี่ย ยิ่งผิดยิ่งเก่งอยังอาตมาทํางานเนี่ยจะเจองานที่ยากแล้วผิดตลอดเลยอย่างเจองานที่ทําพวกคอมเนี่ยพอผิดครั้งหนึ่งเราก็ได้วิชาหนึ่งวิชาผิดสองครั้งเราก็ได้สองวิชาเอาอาศัยผิดเป็นครูเราเราต้องไม่ท้อก่อนถ้าเราท้อปุ๊บเราก็เลิกยังอาตมาตอนหลังเนี่ยทําวิดีโออาจารย์ปสานลง y o ยูทูบนะอาตมาทําไม่เป็นหรอกวีดีโอตัดแต่งไม่เป็นแต่อ า, าก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้วันแรกที่ทําเนี่ย ทำเสียด้วยใช้เวลานานครึ่งวันเนี่ยเพอจะได้หนึ่งไฟล์ลง u t u b e อะพอเริ่มรู้ขึ้นเวลาก็เนาะชักน้อยลงบางวันทำสี่ห้าชั่วโมงกับไฟล์ไฟ์เดียวอะทำเสียตามแก้ตามซ่อมถ้าเป็นคนที่ไม่ตั้งใจทำหรือทำงานแล้วทุกเนี่ยทำไม่ได้หรอกมันเลิอกแล้วอ ะ, อ, ะอัพคือ YouTube บางทีต้องไปตามตัดไอ้ส่วนที่เกินอีกคือมันไม่เข้าที่เขาทางแต่ตอนนี้มันเข้าที่เขาทางแล้ว พาทีก็ดูดูงานแล้วก็ปลื้มใจเพราะเราทำสำเร็จแล้วสิ่งที่ยากก็คือก้าวแรกครั้งแรกงานทุกชิ้นนี้แต่ยากตอนทำครั้งแรกโยกสังเกตไหมพอยา ก, กว่าแรกกัแหละพอต่อไปมันก็ครั้งต่อไปก็ไม่ยากแล้วเพราะจิตมันจะเริ่มเคยชินเริ่มสั่งสมความรู้ถ้าเราทํางานเป็นเราก็มีความสุขแต่ถ้าทํางานไม่เป็นเราก็เครียดอย่างมีช่างก่ออีกอยู่สามคนนะช่างก่ออีกคนแรกเนี่ย ก่อไปหยุดอู้ไปหน้าตาแบบบึงบ้งๆอะ่ะช่างก่ออีกคนที่สองคนนี้รู้สึกอารมณ์ดีกว่าคนแรกแต่ก็บองนายิกาไปอยู่เรื่อยหน้าตาก็ยังไม่สุกจริงคนที่สามเนี่ยขยันก่อใหญ่เลยไม่สนใจในาิกามีคนมาถามว่าทั้งสามคนกาลังทำอะไรคนแรกก็บอกว่าผมกลังก่ออีกครับ คนที่สองบอกว่าผมกำลังก่อกําแพงครับแคนที่สามบอกว่าผมกำลังสร้างวัดครับอันนี้อันนี้คือมุมมองคนที่สามเนี่ยที่ยิงทําด้วยจิตอาสาคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาก่ออิดเขาคิดว่าสร้างวัดเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์กับมหาชนทั้นข่าก็ทําทเนี่ยเขาเขามีความสุขตอนทําแล้วอย่างพระก็เหมือนกนารพระหรือโยมที่มาวัดเนี่ยเรามาช่วยวัดฝาดใบไม้ช่วยวัดถูศาลา ช่วยวัดล้างจานต่างๆเนี่ยถ้าเราทำด้วยจิตอาสาเนี่ยเราก็ไม่เหนื่อยหรอกเรามีความสุขหรือทางโรงพยาบาลบังคับให้พวกโย ม, มาโยเต็มใจมาก็มีความสุขแต่ถ้าโย ม, มาด้วยความจําใจเพราะว่าหมอบังคับมาไม่มาไม่ได้อันนี้ทุกแน่ทุกมหาศาลโดนโรงพยาบาลบังคับมาแล้วมาวัดเจออาจารย์โนดบังคับแต่วันนี้ก็เจออาจารย์วัชชัยบังคับต่ออีกคือทุกมหาศาลนะพูด ง, ง่ายๆเพราะโดนโดนบังคับในจิตไม่ร่วมมือหรอก เดินจองกลมไปตีนก็หนักยกมือยกมือก็ไม่ขึ้นใจก็คิดถึงบ้านคิดถึงความสุขสบายที่เราเคยเสพแต่ถ้าเรามาด้วยความเต็มใจนะมันจะไหนหน่ะยกมือก็ยกมือเดินก็เดินเราทำตามหน้าที่ของเราเนี่ยจิตเราร่วมมือกายปุ๊บเนี่ยเราก็มีความสุขนะไม่ขัดแย้งนะไม่ขัดแย้งกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับสถานที่นั้นโยมก็ต้องเปลี่ยนใจใหม่เวลามามาทําวัด เขามาด้วยความสมัครใจไม่ได้ไม่ได้กลัวใครมาว่าเราเรามาเฝ้าบุญด้วยเจ้ามาฟังธรรมอันนี้ได้อันนี้ส่งล้วได้บุญละบุญเกิดจากการฟังธรรมก็บุญข้อที่แปดเห็นแค่ทำความดีอนุโมทนาบุญอันนี้ก็เป็นบุญข้อที่เจ็ดสาธุยินดีด้วยเราก็ได้บุญด้วยละอันนี้ถ้าทำบุญเป็นได้ทําบุญทั้งวันแหละถ้าทำบุญไว่เป็นบุญก็ผ่านลอยไปเราก็ไม่ได้บุญ เพราะฉะนั้นการทำงานอยู่ก็ต้องไม่ขัดแย้งกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับเพื่อร่วมงานกับสถานที่ทําตามหน้าที่คือคนทั่วไปทํางานมักจะหวังว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรตรงเนี้ยจุดตั้งตั้งโจทย์ไม่คิดว่าทําแล้วคนอื่นจะได้อะไรเพราะโดยธรรมชาติคนเราจะเห็นกับตัวอยู่จะมองว่าที่ผมประโยชน์แล้วเงินเดือนเท่าไหร่ทาไปแล้วฉันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้นะ ยิ่งให้ยิ่งได้เพราะพวกนี้เราทํามากๆเนี่ยมันก็เป็นที่ส่งให้เราเองแหละความดีนั้นไม่ไปไหนหรอกความดี ค, คือความสุขทางใจเพราะว่าธรรมะจริงๆก็คือความลดการเห็นแก่ตัวทํำลายความเห็นแก่ตัวลดอัตตาตัวกูของกูถ้าใครมีอัตตาเยอะเปตัวกูเยอะคนนั้นก็ทุกข์เยอะมีเรื่องต้องแบกต้องหามอยู่เรื่อยไปแหละไอ้ดีก็สามีเราไอ้นี่ก็เมียเราไอ้นี่ก็ลูกเราไอ้นี่ อันนี้ก็ทรัพย์สมบัติเรามีแต่ตัวกูของกูทุกอย่างแหละแบกหมดแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเรายืมเขาไปใช้ชั่วคราวนั่นแหละเวลาเขาเจ๊งเขาหายคนรักตายคนรักจากเราก็ยอมรับได้เพราะทุกคนเนี่ยพบกันเพื่อจากนั่นแหละในที่นี้ตายหมดไม่มีใครรอดเพราะว่างะนั้นเราก็ต้องเตรียมจยใจไว้ล่วงหน้าเลยใครมีญาติเยอะโอกาสจะหลังน้ำตาก็เยอะ ใครมีญาติน้อยก็ห่วงน้อยอ่ะใครมีรักมากคนนั้นก็ทุกมากใครมีรักน้อยคนนั้นก็ทุกน้อยถ้าไม่มีรักก็ไม่ทุกเขาไม่มีห่วงอะไรอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอความสุขความสวัสดีความเจริญาจงมีญาติธรรมทุกท่านขอจบลงแค่นี้